ชนิยทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นไนะสภาวะธรรมที่เป็นปุสลอกุศลและอภยยากฤิซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกรามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันวิญญาณขัน์สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของสังโยชน์สภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นไนะมรรคผลของมรรค ที่ม่นับหนึ่งในงวัตะทุกข์และท่าที่ปัจจัยไม่ปร่งแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์สสัญโยชนะสัมปยุตตทุกกะสภาวะธรรมที่สัมปยุต ด, ด้วยสังโยชน์เป็นชนสภาวะธรรมที่สัมปยุต ด, ด้วยสังโยชน์ได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุต ด, ด้วยสังโยชน์ สภาวะธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์เป็นไนสภาวะธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์เหล่านั้นได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์รูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากสังโยชน์สสัญโยชนะสัญโยชนิยทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นไงน สภาวะธรรมที่เป็นสังโยชน์ชื่อว่าเป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์สภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นชนัยสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์เว้นสภาวะธรรมที่เป็นสังโยชน์แล้วสภาวะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤิซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะที่เหลือเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขัน์ วิญญาณขันธ์สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของสังโยช e น์ vorher, แต oh, ไ่ไม่เป็นสังโยชน์หสัญโยชนะสัญโยชนะสัมปยุตตาทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นสังโยชน์และสัมปยุตด้วยสังโยชน์เป็นไนกามราคะสังโยชน์เป็นสังโยชน์และสัมปยุตด้วยสังโยชน์เพราะอวิชชาสังโยชน์อวิชชาสังโยชน์เป็นสังโยชน์และสัมปยุตด้วยสังโยชน์เพราะกามราคะสังโยชน์ ปติฆะสังโยชน์เป็นสังโยชน์และสัมยุญด้วยสังโยชน์เพราะอวิชาสังโยชน์อวิชาสังโยชน์เป็นสังโยชน์และสัมบุญด้วยสังโยชน์เพราะปฏิฆะสังโยชน์มานะสังโยชน์เป็นสังโยชน์และสัมยุญด้วยสังโยชน์เพราะอวิชาสังโยชน์อวิชาสังโยชน์เป็นสังโยชน์และสัมยุญด้วยสังโยชน์เพราะมานะสังโยชน์ทิฏฐิสังโยชน์เป็นสังโยชน์และสัมยุญด้วยสังโยชน์เพราะอวิชาสังโยชน์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 วินิจสภาวาธรรมที่เป็นสังโยชน์เหล่านั้นแล้วสภาวาธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ได้แก่เวทนาขันต์วิญญาณขันต์สภาวาธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยงชนะ์หสัญโยชนาวิปยุตตะสัญโยชนิยทุกกะสภาวาธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็ น, นไง สภาวะธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์คือสภาวะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอภยากฤิซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปรขันวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้นชื่อว่าวิปยุจจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์สภาวะธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นไง ผลของมรรคที่ไม่นับนื่องในวัตถุข์และท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์สังโยชนะโคจกะจบ โคจระหนึ่งคันธะทุกละสภาวะธรรมที่เป็นคันธะเป็นไฉนคันธะสี่คือหนึ่งอภิชากายคันธะสองพยาบาทกายคันธะสาสีลพตาปรมาสกายคันธะสอีทางสัจจพินิเวสกายคันธะบรรดาคันธะสี่นั้นอภิชากายคันธะเป็นไฉนความกำหนัดความกำหนัดนัก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 ธรรมชาติที่กำทราบใจธรรมชาติที่ซ่านไปธรรมชาติเหมือนเส้นได้ธรรมชาติที่แผ่ไปธรรมชาติที่ประมวลมาธรรมชาติเป็นเพื่อนสองปณิธานธรรมชาติที่นำไปสู่พบตัญหาเหมือนปากตัญหาเหมือนดงความเกี่ยวข้องความเยื่อใหญ่ความห่วงใหญ่ความผูกพันความหวังกิริยาที่หวังภาวะที่หวังความหวังรูป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 ภาวะที่คล้ายแต่อารมณ์ดีๆความกำหนัดในฐานะอันไม่ควรความโลกเกินพอดีความติดใจกิริยาที่ติดใจความปรารถนาความกระยิ่มใจความปรารถนานักการมตันหาภาวะตันหาวิภาวะตัน ห, า ร, นห า, ารูปตันหาอรูปตันหานิโรธาตันหาคือราคะที่สหรโคดด้วยอุเฉตทธิฐิรูปตันหาสัทธตันหา พันธตันหารสตันหาโพธภตัญห า, ร า, ญห า, ธ, ญหาธรมมตัญหาโอคะโยคะพันทะอุปาทานอาวรนนิวอนเครื่องปิดบงังเครื่องผูกอุปกิเลสอนุสัยปริยุทธานตันหาเหมือนเถาวันความปรารถนาวัตถุมีอย่างต่างๆมูลเหตุแห่งทุกเหตุแห่งทุกแดนเกิดแห่งทุกบ่วงแห่งมารเบ็ดแห่งมาร วิสัยแห่งมารตันหาเหมือนแม่น้ำตันหาเหมือนไข่ตันหาเหมือนเชือกตันหาเหมือนสมุดอภิชาอากุศลมูลเคลโลภะนี้เรียกว่าอภิชากายกันถะพยาปาทักายกันถะเป็นไนความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้เคยทําความเสื่อมเสียแกเราความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้กําลังทําความเสื่อมเสียแกเราความอาฆาตเกิดขึ้นว่า ผู้นี้จะทําความเสื่อมเสียแก่เราความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้เคยทําความเสื่อมเสียและถึงกําลังทําความเสื่อมเสียจากทาความเสื่อมเสียแก่คนที่รักที่ชอบพอของเราความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้เคยทําความเจริญกําลังทําความเจริญจากทาความเจริญแก่คนผู้ไม่เป็นที่รักที่ชอบพอของเราหรือความอาฆาตเกิดขึ้นในฐานะอันไม่สมควรจิตอาฆาต ความขัดเคืองความกระทบกระทั่งความแค้นความเครืองความขุ่นเครืองความพล่านไปโทสะความคิดประทุษร้ายความคิดมุ่งร้ายความขุ่นจิตธรรมชาติที่ประทุษร้ายใจความโกรธกริยาที่โกรธภาวะที่โกรธมีลักษณะเช่นว่านี้และความคิดประทุษร้ายกิยาที่คิดประทุษร้ายภาวะที่คิดประทุษร้ายความคิดปองร้าย คิริยาที่ชิปองร้ายภาวะที่คิดปองร้ายความพิโรธความแค้นความดุร้ายความเกลียวกราดความไม่แช่มชื่นแห่งจิตมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าพยาปาทะกายคันถะสีละปะตะปรามาสากายคันถะเป็นไฉนสมณพราหมณ์ภายนอกแต่ศาสนานี้มีความเห็นว่าความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ด้วยศีลด้วยพร ด้วยศีลและพระดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดป่าชัดเคยทิฏฐิกันดารเคยทิฏฐิความเห็นเป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิความผันแปรแห่งทิฏฐิสังโยคเคยทิฏฐิความยึดถือความยึดมั่นความตั้งมั่นความถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดและที่อันเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศความยึดถือโดยวิปาัาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่า ศ Tim, ีลปตาประมาสกายคันทะอิทังสัจจาพินิเวสกายคันทะเป็นชนความเห็นว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมคะโลกไม่เที่ยงนี้แหละจริงอย่างอื่นเป็นโมคะโลกมีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมคะโลกไม่มีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมคะชีวะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมคะ ชีวะกับสิริระเป็นคนละอย่างกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมฆะหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมคะหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมฆะหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมฆะหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่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 มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอีทางสัจจาพินิเวสากายคันทะเว้นสีและปะตะปรามาสากายคันทะแล้วมิจฉาทิฏฐิแม้ทั้งหมดชื่อว่าอีทางสัจจาพินิเวสากายคันทะสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นคันธะสภาวะธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นไนเว้นคันธะเหล่านั้นแล้วสภาวะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอภยากลิที่เหลือ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 สอคันธานิยัุกระสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันธะเป็นไนสภาวะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอภิยากฤิซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกลามาวจรรูปาวจรและอรมูปาวจรได้แก่รูปขันวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้นชื่อว่าเป็นอารมณ์ของคันธะสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันธะเป็นไนมัก ผลของมากที่ไม่นับหนึ่งในวัตะทุกข์และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของคันทะสาคันทะสัมปยุตตทุกขาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันทะเป็นชนสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันทะเหล่านั้นได้แก่เวทนาขันวิญญาณคัน์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยคันทะ สภาวะธรรมที่วิปยุตจากคันธะเป็นไนะสภาวะธรรมที่วิปยุตจากคันธะเหล่านั้นได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์รูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากคันธะสี่คันธะคันธะนิยะทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นคันธะและเป็นอารมณ์ของคันธะเป็นไนะ คันธะเหล่านั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นคันธะและเป็นอารมณ์ของคันธะสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะเป็นชไหนเว้นคันธะเหล่านั้นแล้วสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันธะคือสภาวะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพญากรฤฤิซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะที่เหลือเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันวิญญาณขั น, ขน สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของคันทะแต่ไม่เป็นคันทะห้คันทะคันทะสัมปยุตตทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นคันทะและสัมปยุตด้วยคันทะเป็นไนสีละปตะประมาณะกายคันทะเป็นคันทะและสัมปยุตด้วยคันทะเพราะอภิชากายคันทะอภิชากายคันทะเป็นคันทะและสัมปยุตด้วยคันทะ เพราะศีลปตาประมาสกายคันธะอีทางสัจจาพินิเวสกายคันธะเป็นคันธะและสัมปยุทธเดียวันธะเพราะอภิชากายคันธะอภิชากายคันธะเป็นคันธะและสัมปยุทธเดียวันธะเพราะอีทางสัจจะพินิเวสกายคันธะสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นคันธะและสัมปยุทธเดียวันธะสภาวะธรรมที่สัมปยุทธเดียวันธะแต่ไม่เป็นคันธะเป็นชน สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสภาวะธรรมที่เป็นคันธะเหล่านั้นเว้นคันธะเหล่านั้นแล้วสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะ 6. กคันธาวิปยุตตะคันธนิยทุกกะสภาวะธรรมที่วิปยุตจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะเป็นชไง สภาวะธรรมที่วิปยุจจากคันทะเหล่านั้นคือสภาวะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอภยยากฤิตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกลามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุจจากคันทะแต่เป็นอารมณ์ของคันทะสภาวะธรรมที่วิปยุจจากคันทะและไม่เป็นอารมณ์ของคันทะเป็นไงมัก ผลของมรรคที่ไม่นับเนึ่องในวัตะทุกข์และท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุจจากคันถะและไม่เป็นอารมณ์ของคันถะคันถะโคจะกะจบหโอคะโคจะกะหนึ่งโอคะทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นโอคะเป็นฉไฉนละถึงโอคะโคจะกะจบเจ็ดโยคะโคจะกะ 1>, 1. โยคะทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นโยคะเป็นชนัและถึงโยคะโคจกะจบ 8. นิวรณะโคจกะหนึ่งนิวรณะทุกกะ สภาวะธรรมที่เป็นนิวรนเป็นไงนนิวรนหกคือหนึ่งกรรมฉันทะนิวรนสองพยาปาทนิวรนสามถีนมิทะนิวรนสี่กุตจักกุกุจจนิวรนหวิจิกิจฉานิวรนหอาวิชานิวรนบรรดานิวรนหกเหล่านั้นกรรมฉันทะนิวรนเป็นไนความพอใจในกลามความกำหนัดในกลาม ความเพลเพลในกลามตันหาในกามสิเนหาในกามความเร่าร้อนเพราะกลามความหลงไหลในกลามความหมกมุ่นในกลามในกลามทั้งหลายนี้เรียกว่ากลามฉันท่านิวรพยาปาท่านิวรเป็นไนความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้เคยทําความเสี่อมเสียแกเราความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้กําลังทําความเสี่อมเสียแกเราความอาฆาตเกิดขึ้นว่า ผู้นี้จักทำความเสื่อมเสียแก่เราความอาฆาตเ ก, กิดขึ้นว่าผู้นี้เคยทำความเสื่อมเสียละถึงกำลังทำความเสื่อมเสียจากทำความเสื่อมเสียแก่คนที่รักที่ชอบพอของเราความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้เคยทำความเจริญกำลังทำความเจริญจากทำความเจริญแก่คนที่ไม่เป็นที่รักที่ชอบพอของเราหรือความอาฆาตเกิดขึ้นในฐานะอันไม่สมควร จิตอาฆาตความขัดเคืองความกระทบกระทั่งความแค้นความเคืองความขุ่นเคืองความที่จิตพลานไปโทสะความคิดประทุษร้ายความคิดมุ่งร้ายความขุ่นจิตธรรมชาติที่ประทุษร้ายใจความโกรธยุริยาที่โกรธภาวะที่โกรธมีลักษณะเช่นว่านี้และความคิดประทุษร้ายยิริยาที่คิดประทุษร้ายภาวะที่คิดประทุษร้าย ความคิดปองร้ายกิริยาที่คิดปองร้ายภาวะที่คิดปองร้ายความพี่โรธความแค้นความดุร้ายความเครียวกราดความไม่แช่มชื่นแห่งจิตมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าพยาปาทานิวรทีนะมิท่านิวรเป็นไนทีนะมิท่านิวอนนั้นแยกเป็นทีนะอย่างหนึ่งเป็นมิท่ะอย่างหนึ่งบรรดาสองอย่างนั้นทีนะเป็นไง ความหดหู่ความไม่ควรแก่การงานความท้อแท้ความท้อถอยแห่งใจความย่อหย่อนคิริยาที่ย่อหย่อนภาวะที่ย่อหย่อนความถดถอยกิริยาที่ถดถอยภาวะที่ถดถอยแห่งใจนี้เรียกว่าถีนะนิทะเป็นไฉนความไม่สะดวกกายความไม่ควรแก่การงานความหงอยเหงาความซบเซาแห่งกายความหาวนอนความง่วงซึม ความหลับความงอกง่วงความอยากหลับกิริยาที่อยากหลับภาวะที่อยากหลับนี้เรียกว่ามิทะทีนะและมิทะดังว่านี้รวมเรียกว่าทีนามิทะนิวอนอุทจจะกุกุจจนิวอนเป็นไงนะอุทจจะกุกุจจะนั้นแยกเป็นอุทจจะอย่างหนึ่งเป็นกุกุจจะอย่างหนึ่งบรรดาสองอย่างนั้นอุทจจะเป็นไนะ ความฟุ้งซ่านแห่งจิตความไม่สงบแห่งจิตความซัสสายแห่งจิตภาวะที่จิตพล่านไปนี้เรียกว่าอุทจจะกุกุจจะเป็นไนความสาคัญว่าควรในสิ่งที่ไม่ควรไม่ควรในสิ่งที่ควรมีโทษในสิ่งที่ไม่มีโทษไม่มีโทษในสิ่งที่มีโทษความรำคาญกิริยาที่รำคาญภาวะที่ราคาญความเดือดร้อนใจความยุ่งใจ มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าปุ ก, กุจจะอุทัจจะและปุ ก, กุจจะดังว่านี้รวมเรียกว่าอุทัจจะปุ ก, กุจจะนิวรณ์วิจิขีชานิวรณ์เป็นไนปุตุชนย่อมเคลือบแปลงสงสัยในพระาศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาในส่วนอดีตในส่วนอนาคตในส่วนอดีตและส่วนอนาคตในปฏิจจสมุปบาทว่า เพราะทำนี้เป็นปัจจัยทำนี้จึงมีความเคลื่อนแคลงคุริยาที่เคลือนแคลงภาวะที่เคลือนแคลงความทิดเห็นไปต่างๆความตัดสินอารมณ์ไม่ได้ความเห็นเป็นสองทางความเห็นเหมือนทางสองแพร่งความสงสัยความไม่สามารถยึดถือโดยส่วนเดียวได้ความคิดสายไปความคิดพลาไปความไม่สามารถจะย่างลงยึดถือเป็นยุติได้ความกระด้างแห่งจิตความลังเลใจ มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าวิจิกิชานิวรอวิชานิวร์เป็นไนความไม่รู้ในทุกความไม่รู้ในทุกขะสมุทัยความไม่รู้ในทุกขนิโรธความไม่รู้ในทุกขนิโรธาขาไม่มีปฏิปทาความไม่รู้ในส่วนอดีตความไม่รู้ในส่วนอนาคตความไม่รู้ในส่วนอดีตและส่วนอนาคตความไม่รู้ในปฏิจจสมุบาทว่า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 ความหลงไหลอวิชชาโอคะคืออวิชชาโยคะคืออวิชชาอนุสัยคืออวิชชาปริยุดฐานคืออวิชชาลิ่มคืออวิชชาอากุศลมูลคือโมหะมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอาวิชชานิวรณสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นนิวรณสภาวะธรรมที่ไม่เป็นนิวรณเป็นไนเวนนิวร์เหล่านั้นแล้ว สภาวะธรรมที่เป็นกุศลอักุศลและอัพยากฤิที่เหลือซึ่งเป็นกลามาวจรรูปาวจร อ, อรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันรูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นนิวรณ์สองนิวรณียทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นฉไน สภาวะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอภัยกฤิตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของนิวรณสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณเป็นไนมักผลของมักที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่ง Hmm. สภาวธรรมเหล่าน <IS utter bizarre> ี <IS utter> so ้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์สนิวรณสัมปยุตตทุกกะสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์เป็นไนสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์ได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยนิวรณ์สภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์เป็นไนสภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์ได้แก่เวทนาขัน วิญญาณขันธ์รูปทั้งหมดและท่าที่ปัจใจไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุจจากนิวรณ์สีนิวรณะนิวรณียะทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นนิวรณและเป็นอารมณ์ของนิวรณเป็นไงนิวรณ์เหล่านั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นนิวรณและเป็นอารมณ์ของนิวรณสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรแต่ไม่เป็นนิวรเป็นไนเว้นนิวรณ์เหล่านั้นแล้ว สภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์คือสภาวะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอภยยากฤิซึ่งเป็นอารมณ์ของอา จ, จะวะที่เหลือเป็นการมวจรรูปาวจ ร, ร, วจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ 5. นิวรณะนิวรณสามปยุตตทธธุกกะ สภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์เป็นไนกล้ามาฉันทนิวรณ์เป็นนิวรณ์และสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์เพราะอวิชานิวรณ์อวิชานิวรณ์เป็นนิวรณ์และสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์เพราะกลามาฉันทะนิวรณ์พยาปาทานิวรณ์เป็นนิวรณ์และสัมปยุตธ์ด้วยนิวรณ์เพราะอวิชานิวรณ์อวิชานิวรณ์เป็นนิวรณ์และสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์เพราะพยาปาทานิวรณ์ ถีณมิทานิวรเป็นนิวรและสัมปยุทธ์ด้วยนิวรเพราะอวิชานิวรอวิชานิวรเป็นนิวรและสัมปยุทธ์ด้วยนิวรเพราะถีนมิทานิวรอุทจันิวรเป็นนิวรและสัมปยุทธ์ด้วยนิวรเพราะอวิชานิวรอวิชานิวรเป็นนิวรและสัมปยุทธ์ด้วยนิวรเพราะอุทจันิวรปุกุจจนิวรเป็นนิวรและสัมปยุทธ์ด้วยนิวรเพราะอวิชานิวร อวิชานิวรเป็นนิวรและสัมปยุตด้วยนิวรเพราะกุกุจะนิวรวิจิกิจชานิวรเป็นนิวรและสัมปยุตด้วยนิวรเพราะอวิชานิวรอวิชานิวรเป็นนิวรและสัมปยุตด้วยนิวรเพราะวิจิกิจชานิวรกา마ฉันทะนิวรเป็นนิวรและสัมปยุตด้วยนิวรเพราะอุทจะนิวรอุทจะนิวรเป็นนิวรและสัมปยุตด้วยนิวรเพราะกามฉันทะนิวร <ป>พยาปาทนิวอนเป็นนิวอนและสัมปยุทธ์ด้วยนิวอนเพราะอุทจฉานิวรอุทจฉานิวอนเป็นนิวอนและสัมปยุทธ์ด้วยนิวอนเพราะพยาปาทนิวอนถีนมิธนิวรเป็นนิวอนและสัมปยุตธ์ด้วยนิวอนเพราะอุทจฉานิวรอุทจฉานิวรนเป็นนิวอนและสัมปยุทธ์ด้วยนิวอนเพราะถีนมิธานิวอนปุกุจจนิวอนเป็นนิวอนและสัมปยุทธ์ด้วยนิวอนเพราะอุทจฉนิวอ อุทจจะนิวรเป็นนิวรันและสัมปยุทธ์ด้วยนิวรันเพราะอุทจจะนิวรวิจิกิจชานิวรัเป็นนิวรันและสัมปยุทธ์ด้วยนิวรันเพราะอุทจจะนิวรัอุทจจะนิวรัเป็นนิวรันและสัมปยุทธ์ด้วยนิวรันเพราะวิจิกิจชานิวรัอวิชานิวรัเป็นนิวรันและสัมปยุทธ์ด้วยนิวรันเพราะอุทจจะนิวรัอุทจจะนิวรเป็นนิวรันและสัมปยุทธ์ด้วยนิวรันเพราะอวิชานิวรั สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นนิวรณ์และสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไ <im> ม่เป็นนิวรณ์เป็นไนสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์เหล่านั้นเว้นสภาวะธรรมเหล่านั้นแล้วได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์หนิวรณวิปยุตตะนิวรณียะทุกะ สภาวะธรรมที่วิปยุ ing, ตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นไนสภาวะธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์เหล่านั้นคือสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอภิญากฤิซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกลามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ สภาวะธรรมที่วิปยุจจากนิวนนรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นไนมรรคผลของมรรคที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์และท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุจจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์นิวรณะโคจกะจบ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 หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ม่ใช่เจะว่าไม่เกิดอีกก็ม่ใช่ดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดป่าชัดเคยทิฏฐิกันดานเคยทิฏฐิความเห็นเป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิความผันแปรแห่งทิฏฐิสังโยชน์เคยทิฏฐิความยึดถือความยึดมั่นความตั้งมั่นความถือผิดทางชั่วทางผิด ภาวะที่ผิดลทัทธิเป็นบ่อกเกิดแห่งความพินาศ ค, ความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าทิฏฐิปรามามิจฉาทิฏฐิแม้ทั้งหมดชื่อว่าทิฏฐิปรามาสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นปรามาสภาวธรรมที่นี่เป็นปรามาเป็นไนเว้นสภาวธรรมที่เป็นปรามาเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากริตที่เหลือ ซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันรูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นปรามาตส 2. ปรามัตถทุกขะสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาตเป็นไนสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัยยากริตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะ เป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปะขันวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของปรามาสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรารมาสเป็นฉไหนมร์ผลของมร์ที่ไม่นับหนึ่งในวัตตทุกข์และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของปรารมาสามปารมาจะสามประยุตตทธุกกะ สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาสเป็นไนสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสภาวะธรรมที่เป็นปรามาสเหล่านั้นได้แก่เวทนาขันต์วิญญาณขันต์สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยปรามาสสภาวะธรรมที่วิปยุทธ์จากปรามาสเป็นไนสภาวะธรรมที่วิปยุทธ์จากสภาวะธรรมที่เป็นปรามาสเหล่านั้นได้แก่เวทนาขันต์วิญญาณขันต์รูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปร่งแต่ง สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากปรามาสสปรามาสปรามัฏฐุกละสภาวะธรรม ท, ที่เป็นปรามาสและเป็นอารมณ์ของปรามาสเป็นไนปรามาสนั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นปรามาสและเป็นอารมณ์ของปรามาสสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสเป็นไนเว้นสภาวะธรรมที่เป็นปรามาสเหล่านั้นแล้วสภาวะธรรม ท, ที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤต ซึ่งเป็นอารมณ์ของอาจวะที่เหลือเป็นกามาวจรูรปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นธรรมของปรามาตแต่ไม่เป็นปรามาตหปรามาจาวิปยุตตปรามาัตถะทุกกะสภาวะธรรมที่วิปยุจจากปรามาแต่เป็นอารมณ์ของปรามาเป็นไนสภาวะธรรมที่วิปยุจจากปรามาเหล่านั้น คือสภาวะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอภยากลิทซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกรามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุจจากปรามาตแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสสภาวะธรรมที่วิปยุจจากปรามาและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสเป็นชนมรรคผลของมรรคที่ไม่นับหนึ่งในวัตถุ และท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากปรามาตและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตประมาสกโพจกะจบสิบมหานตระทุกกะหนึ่ง สารมณทุกะสภาวะธ th รรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นไนเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขัน์สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ารับรู้อารมณ์ได้สภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นไนรูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ารับรู้อารมณ์ไม่ได้สองจิตตาทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นจิตเป็นไน จากผูวิญญาณโสตะวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นจิตสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตเป็นฉะไหนเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นจิตสเจตสิกะทุกกะ สภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกเป็นไนเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อ no> ว่าเป็นเจตสิกสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกเป็นไนจิตรูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นเจตสิกสี่จ네ิตตสัมปยุตตทุกกะสภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นไน เวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยจิตสภาวะธรรมที่วิปยุทธจากจิตเป็นไนรูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุทธจากจิตจิตไม่พึงกล่าวว่าสัมปยุทธด้วยจิตหรือวิปยุทธจากจิตหจิตตะสังสัทธทุกะสภาวะธรรมที่ระคนกับจิตเป็นไง เวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ารักคนกับจิตสภาวะธรรมที่ไม่รักคนกับจิตเป็นฉไนรูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่รักคนกับจิตจิตไม่พึงกล่าวว่ารักคนกับจิตหรือไม่รักคนกับจิตหจิตตาสมุทฐานทุกะสภาวะธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นไน เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันกายวิญญัตและวิจีวิญญัตรหรือรูปแม่อื่นใดที่เกิดแต่จิตมีจิตเป็นเหตุมีจิตเป็นสมุทฐานได้แก่รูปายตนะสัทธายตนะขันธายตนะรัายตนะโพธพายตนะอากาศธาตุอโปธาตุและหุตารูปมุทุตารูปกรร ม, มัญตารูปอุปจิยารูปสันตติรูป และกาวลิงกราหานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีจิตเป็นสมุทฐานสภาวะธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นไฉนะจิตรูปที่เหลือและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีจิตเป็นสมุทฐาน 7- จิตตสหภูตุกะสภาวะธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นไฉนะเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันกายวิ ญ, ญัต และวจีวิญญัติสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเกิดพร้อมกับจิตสภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตเป็นไหนจิตรูปที่เหลือและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เกิดพร้อมกับจิต 8. จิตตานุปริวัติทุกกะสภาวธรรมที่เป็นไปตามจิตเป็นไห น, นเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันกายวิญญาตและวจีวิญญาต สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นไปตามจิตสภาวะธรรมที่ไม่เป็นไปตามจิตเป็นไนะจิตรูปที่เหลือและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นไปตามจิตเกจิตตะสังสัทธะสมุทฐานทุกะสภาวะธรรมที่รควงกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นไนะเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขัน สภาวะธรรมเหล่านี้ชื it. It hm Aaa, ่อว่ารักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานสภาวะธรรมที่ไม่รักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นไนจิตรูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่รักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานสิจิตตสังสัทธสมุทฐานสหภูทุกะสภาวะธรรมที่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐาน และเกิดพร้อมกับจิตเป็นไฉนเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ารักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตสภาวะธรรมที่ไม่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตเป็นไฉนจิตรูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิต สิจิตต ส, สังสัตถสมุทฐานานุปริวัติทุกกะสภาวะธรรมที่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตเป็นไฉนเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ารัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตสภาวะธรรมที่ไม่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตเป็นไฉนจิตรูป asia. ทั้งหมด และถ้าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่รบกวนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตสิบสองอชชาติกะทุกกะสภาวธรรมที่เป็นภายในเป็นไนะจักขาญัตนะมนายญตนะสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นภายในสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นไนะรูปายญตนะธรรมายัตนะ สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นภายนอกสบอุปาทาทุกกจสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทายรูปเป็นไนาจากขายาตนะกาวลีนกระหานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอุปาทายรูปสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นไนเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันมหาภูตรูปสี่และท่าที่ปัจจัยไม่ปรงแต่ง สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอุปาทายรูป 14. อุปาทินนทุกกะสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฐิยึดถือเป็นไฉนะวิบากแห่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกลามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรได้ แ, แก่เวทนาขันวิญญาณขันและรูปอันกรรมปรุงแต่ง สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ารกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นไนสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาจวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันสภาวะธรรมที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิปลาแก่งกรรม รูปอันกรรมไม่ปรุงแต่งมรรคผลของมรรคที่เป็นโลกุตระและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือมหันตระทุ ก, กะจบ